ท่านสาธุ 12 มกราคม 2534 เป็นหลายวันอยู่ที่ 3 อีกที่เป 15 มกราคม 2534 ภายสหประชาชาติอนุญาตให้อเมริกาหรือสหพันธมิตรใช้กำลังกับอิรักได้แต่ถ้าว่ากว่าๆ <c oughs> Ik heb een paar dagen voor de je Ik heb een paar dagen is je boerderij. Ik heb een paar dagen voor de boerderij. je heb een de maar dan de kleeglekker, En je kan, heb kan wat hanna in de we pas zo gaan. Maar die is ท่านปฏิบัติไปเท่าไหร่ท่านก็ไม่มีโอกาสจะเห็นสวรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัทในขณะที่กําลังพูด ถ้าแก่ก็มีไม่แก่ก็มีพระหนุ่มก็มีถ้ายังมีอยู่วิชาความรู้ที่อาจารย์นำมาพูดนี่ยังไม่ได้เสี่ยงของท่านท่านมีความรู้มีความสามารถมากกว่านี้มีอยู่แต่ที่ถ้าจะนำมาเล่าสู่ทั้งฟังเพื่อให้ทราบว่าหลักสูตรในพุทธศาสนามีทั้ง 4 อย่างขึ้น 1 ถ้าปฏิบัติแล้วเห็นได้ระลึกชาติได้ไปไปก็อย่างสําหรับตอนนี้ แต่ต่อจากนั้นไปสงฆ์ไปก็ปล่อยเดี่ยวไปเวทนาลําพัง <c oughs> ก็อยู่กันอย่างสบายๆยังจิตสงบหายกินตามปกติตามที่เคยกล่าว เมื่อแต่ไม่ถึงประเรียนก็เลยไม่ได้เรียนก็มาเค้าขอกล่าวเรื่องสําคัญตอน ท่านถึงการอมรณะแต่ว่าก่อนที่จะบรรลุบรรดาท่านพระอัยสัจก่อนหน้าแล้ว 3 ปีคือว่าคราวนี้ชั้นยังไม่ตายเค้านําไปรักษาที่บ้านโรง ก็พอหายแล้วก็บอกต่อไปว่าบอกหลวง 3 ปีผมตายแน่พอถึงกําหนดกลับจากการทุรดงไม่นานนักหลวงพ่อปั่นก็ <c oughs> แต่เพราะอย่างยิ่งที่หน้าท่านเบ๊เบ้ก็คือ แล้วๆที่พิเศษราคามากๆมาถวายท่านนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะฉันได้มากมายอะไรก็ฉันโน่นบ้างฉันนี่บ้างแต่ เหตุแก่เป็นเพราะเนื้อปลาสดไม่แข็ง พอมาถึงวัดพอขึ้นวัดเสร็จอาตมาผู้ว่าเวลาอีก 3 ปีเค้าจะตายปี wei Tha Thong Pao Watsan Pan zei dat Tha Thong Pao Pan was een prachtige prachtige prachtige prachtige prachtige prachtige prachtige prachtige prachtige prachtige ก็มีความคิดว่าหลวงพ่อท่านอาจจะฟังอะไรไม่ค่อยได้ยินทั้งเพราะว่ามัน คล้ายๆกับคนไม่เป็นโรคท่าน แต่ใครจะคุยอะไรกับฉันก็คุยซะก่อนนะนี่เป็นพูดแต่ตอนคนคนยังว่าไม่เป็นโรคพูดเป็น เหมือนกับคนไม่ป่วยพอบวชสอเสร็จๆมีอาจารย์เกี้ยวซึ่งเป็นเพื่อนเก่ากัน <c oughs> แต่แต่ไอ้เกลียวนี่เนี่ยเป็นแต่นักเทศน์อย่างเดียวนักเทศน์เก่งมากแต่กรรมฐานคงไม่เก่งมาถึงถ้าใกล้บอกท่านปานนั่นปานพุทโธนะพุทโธนะ นั่งสมาธิอยู่ปลายเท้าติดข้างฝานั่งเพียงฝาเท้าสมาธิตามหลวงพ่อปานเข้าใจว่าจะ ก็เลยล่ะพระครูสังก็ลืมตาขึ้นมา <c oughs> ตอนกายไม่มีความรู้นั้นมาตอนยืนอาตมาเองกับเพื่อนกับเพื่อนพระอีก 3 อีก 3 องค์ด้วยองค์ด้วยกันเข้าไปจับมือจับจับ ถ้า 2 ข้างคนละอันคนละข้าง 3 นาทีท่านลืมตาขึ้น ท่านถามว่าลิงดำใช่ไหมบอกว่าใช่เค้า <S an> เขาอาจจะไม่ศรัทธาถ้าท่านเขาครวญผมจะช่วยแต่เขาไม่ครวญผมไม่ช่วยท่านก็พยักหน้า พระก็สวดเจงก็สวดพร้อมกันเมื่อถึงเวลา 6:00 น. ก่อนหน้าที่ท่าน 1 วันท่าน 4,000 บาทแล้วก็พรรคเครื่อง 2 ลูกจํานวน 4,000 องถ้าใคร 1 บาทณ1 บาทเป็น 4,000 บาทพอดี ก็รับคําว่าจะปฏิบัติตามนั้นก็เป็นอันว่าพระเครืองหลวงพระปานเวลานี้ ถ้าหลวงพ่อปานเป็นเครื่องสังเกตได้อยู่อย่างหนึ่งคือว่าถ้าจับแปลงป่องแล้วจะขาประกัดเอาแล้วก็ไม่ยอม ให้อลถนาตามรูปรูปอะไรหนุมานแล้วก็ตามเพราะอิทธิฤทธิ์พุทธานิมิตังขอเดชะเดชังขอเดชะโยมมาเป็นนี้เพิ่งจะมา พอเวลานี้ก็มีคนบาง แล้วบอกว่ามีคนมี 300 400 องค์ก็ 3,000 บาทแต่ขอกลับไปพระ 4,000 องค์ Laten je meer kijkers maken. We hebben een aantal kijkers die al een paar oog, die al een paar weken kijken. We hebben een aantal kijkers die al een paar weken kijken. We hebben een aantal kijkers die al een paar weken kijken. We hebben een พอเดี๋ยวๆพระจะโดดติดกับเนื้อโดยยกแขนขึ้นมาสลัดก็ไม่หลุดฉะ <c oughs> แต่ความจริงไม่ใช่หลวงพ่อ เดินเข้ามาหาศาลาที่เขาตั้งศพลงก็ปานแต่บันไดนี้ ตอนหลังท่านเป็นสมเด็จพระธรรมอาจารย์วัดมหาธาตุไม่มนฑภาพในเร็วนี้เป็นเจ้านายจังหวัดท่านไปเทศตอนกลางวันก็ in Laos kan Fang. Langt er nog een lage kop en keps op. Ze hoopt al met Mottenwilla. Mottenwilla. Paus op. Kom in praten. ก็รวมความเผาศพหลวงพ่อปานเสร็จขอ <c oughs> ขบวนที่นําไปวนเมรก็มีอยู่ผู้ว่าราชการ ถ้ายื่นเยอะเกินไปก็จะเป็นที่รำคาญหลังจากหลวงพ่อปานมโนภาพแล้วอาตมาก็ยังอยู่ที่ staat wat. Tegen 10.00 uur gaan we naar de kerk. We gaan naar de kerk. We ท่องหนังสือสวดมนต์เมื่อท่องหนังสือสวดมนต์ได้แล้วก็ ik me, het จะไปวัดไหนก็ไม่สภาพเหมือนกันแต่วัดที่ๆเพราะถือว่าที่ ส่งความรู้พิเศษให้มากพอสมควรเท่า ทำให้อาตมาลงกำหม่อมก็บอกลงไม่ได้แล้วพระเจ้าอยู่ตรงนี้ท่านเป็นครูบาอาจารย์พระเจ้าดีกว่าฉันมากแล้วก็เป่านะโมทายะเพียงตอนเช้ามืด พระอาจารย์ก็มายืนข้างๆท่านถามว่าตื่นแล้วเล้โหตื่นได้ครับท่านถามว่าเจริญอะไร Tauti, dan poe, tijn, dan poe, tijn, tijn, chai tijn, tijn, tijn, tijn, tijn, tijn, tijn, tijn, tijn, tijn, chai tijn, tijn, tijn, tijn, in, tijn, tijn, tijn, tijn, tijn, tijn, tijn, tijn, tijn, tijn, in tijn, tijn, tijn, tijn, tijn, tijn, tijn, tijn, tijn, tijn, tijn, ก็ลานี้เวลาเลยประมาณสัก 7 วันตอนขึ้นเวลาประมาณ 2:00 อาตมาก็ลุก แต่ว่าได้ยินเสียงผู้หญิงครางมันก็ถูกทรมานจึงเดินย้อนเข้าไปดูที่ประตูเห็นว่าตัว เลยไม่ภาคต่างไต่ขึ้นไปดูไม่เห็นมีอะไรในนั้นในนั้น สมภพพรพระโจณได้บอกว่าเสียงผู้หญิงไม่ใช่เสียง <c oughs> Ik heb het gevoel dat ik het niet heb kan gewoon jij door tegelijk door de middel. Lange en lang op haar en grap, wat van dat en putt wat zat. me eruit. Ga dan, non, non. non, lin, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, Plaats onjag, hokko wang, wang, dat ก็นึกในใจว่าดีแล้วอย่าจะเดินประสาวลียิ่งถ้าพระมาจากกรุงเทพฯเค้าเรียกว่าพระดีพระบ้านนอกเค้าเรียกพระเลวเคยไปฉันในที่แห่ง เพราะฉะนั้นอาตมาก็ว่าจะต้องไปกรุงเทพฯไปเรียนภาษาบาลีถ้าอยากว่าคนเนื้อแท้ความไปจริงไม่เวลาทันที่ที่ท่านอยู่กรุงเทพฯท่านมีสภาพเป็นอย่าง